สมบัตินี้ก็นิยมวดียูแดหัง่งโยใต้อูของอนิจจังโมมันมาเทียงแตกสลายไปก็แ ม, มนของผู้ใดบัดไปบัดมาอยู่ชำนันขันเท้าสิมาสางโลกขันมันได้รับความสุขจนเลื่อมตุลเลื่อมตัวว่าสางกุศลชิ้นท่านชเชลย ก็เรียกว่าเฮ้านี่ปั้นน้าให้เป็นตัวเป็นไปบ่ได้โดยเพราะโมยูในคมงของเฮ้าเฮ้าอาศัยทรับทั้งหลายเนี่ยขายนอกก mm ุก hmm. มา่าคืออาศัยเพื่ออาศัยแพะเพื่อขามขี่ขามฟา ก, กันขามไปแล้วห้อกระทิมแล้วเมื่อได้ขึ้นมาขี่กับขึ้นมาอีก สกุลละกายก็คือกันอาศัยส่วข้าวพญายกิจตลาดก็มาอาศัยของส่วข้าวสกุลละกายนี่แหะเป็นเพื่อนพญายกิจตลาด mm hmm. เพื่อนของกายภายนอกก็เป็นเพื่อนมันซ่านเท่ายังมันก็เพื่อนภายในใอีกเพอะเอาตะปูตีไว พอเอาไม้มาเฮ็ดมาทำเงื่อนของพญายกิจตลาดเนี่ยมุ่งแอมด้วยหนังหนังหุมยูเหล่เนื้อนั่นพอกไหวคือดินท่าท่าฝาเส้นเอ็นนั่นเนี้อรัดลึ่งไหวผูกไหวเป็นตอกเป็นหวแทนตะปู จักเด็ดเจกจักเด็ดสลายไปหันสิ้นลมหายใจแล้วหอดขวบมากกัถึกกินเพราะเนาว่าจาในทองพุ่นหอดขอดเจ็มือมากกเป็นน้ำย่างเหลืองไหลต่อไปหันอีกกับเปืยเพมีเหลียกว่าเฮียนเพรออาะไม่คิตตลาด พญายาคิดตลาดเบังให้มันคักมาสางเฮือนอันบ่มันบ่เทียงผู้ที่สุกเสานําเฮือนนําซ่านที่มันเพ่มันพังไปกับมันพระยายคิดตลาดผู้สางขืนกับมันพระยายคิดตลาดพระยายคิดตลาดจงทําความเข่าใจให้มันถือซะย่าสุมาสางเฮือนนังนี้อีก หลังนังหูมีาย้มือได้ก็ข้อให้ได้เขาสู้พระนิพพานเลยอย่าในมาทองเที่ยวในวัาทสงสารขนักว่าบุญร้ายแต่ไปพบมาโลกก็ยู่หันร้ายก็ฟร้ายกันอยู่เมอดอนิสงแล้วก็ลงมาเป็นสัตติรสารกัมี่ลงมาเป็นเพดก็มี่ลงมาตกมรหกอีกกัมี่ลงมาเป็นมนุษย์อีกกัมี่ คำว่าเกิดเล้วสิเกิดเป็นยังก็สร้างเป็นอินเป็นพ่มเป็นพยมพกาญเป็นเจโตโรลกกรบาลทั้งสีก็าตามเป็นสั์ที่มีวิญ ญ, ญาณคว่องสิงอยู่ก็าตามกต็ตก ม, มีแกมีเก็บมีตายลงบนเดียวกันบ่มีสารอุทธรเ <c oughs> มื่อเหตุผลเป็นทั้งสีส่ซัดแยี่ยงในคิดใน ใ, นใจแล้ว ควบยินดีต่างๆจึงสี่ในตัดออกจึงในเลือกเฟ้นเอาแต่บัณฑีแต่ก่อนหอบเอาทั้งคี้มูลาคีมะแหงบาสนี่ถึงวิจักเลือกเฟ้นแล้วคือเลือกเฟ้นเจตนาเจ้ า, จาของนั่นเองเลือกเฟ้นควมหวังเจ้าของนั่นเองเลือกเฟ้นควมประสงค์ของเจ้าของนั่นเองทีประสงค์อันเดียวแต่จะเขา่าสูภายในพานเท่านั้น บนบ่านมาแกมาเก็บมาตายพมประสงค์ททั้ทงอื่นสิตัดออกเมดสิค่ายเมา้าออกสิคายออกสิยังอมไว้แต่ปรารถนาพระนิพพานโดยร ว, วนเท่านั้นถึงบ่ถึ ง, ถ, งถึงสาถึงไหวก็ตามเอาอันเดียวเทนี้มีเกตนาปรารถนาอันเดียวเทนี้ ท่านเขาไปทพักสักหนึ่งก็ตามพอเห็นเต็มตาเลยไม่มีมลปิดบังไม่มีภยัยสิตัวใดเพรานว่าโูกหน่วยนี่ไปยุบปุ่นถ้วยมันที่เป็นซุกไปยุบหีถ้วยมันที่เป็นซุกคำว่าในโลกอันนี้จะไปยุบวนไหนก็เป็นทุกข์มือ่อทุกแก่ทุกเก็บทุกตาย ถึงสิมีทุกแก่ทุกเก็บ ท, ทุกตายก็าตามเถิดขอให้ได้ปฏิบัติชินท้ำเป็นครูกับชีวิตไปแต่ละศาสตร์ละพบไปให้มันบางมันบางไปถึงแม้จะไม่เกิดอีกอยู่กัย่าด้หาบได้หิวควมหลกกดลุงมาหลายหลให้มันค่อยเบาไปเท่าไรเรียเกินหน่อยคือพระจันทร์ในวันข้างคืนเนี่ย ข้าโยหางเหินจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับอุปมาคือข้าเป็นผจัดในวันแหมนับที่แหมคำหนึ่งไปแ้วคอยสวยไปสวยไปวัวสามาถ ส, สีน้ำควมเจริญมาใส่จะคล้องได้ขืนลดขืนเลื่อจะกับบาา้านพระการภาวนาพุทโทพุโทโธไป พุทโธย่าห้พบปัญหาญาญ่าผ้า น, ยายาานันทายให้ตลอดทอดฟังโจรม่าน่าห้มาไก่ท่าโมทั้งโคกก็คือกันให้นึกอจังสัตวให้ไ ป, ไปทั้งบ้านทั้งเมืองหายมีความสุขความจเจริญยิงย่งยิขึ้นไปผลทุกข์ในวตรสราสงสารเฮ้าเห็นทุกข์ย่างเต็มทีเข้ายัางสีเบื่อนายทุกข์ย่างเต็มที ห่เอเค็ดลาบอย่างเต็มทีห่อจังสี่บัวเดีมาท่องเที่ายวอย่างเต็มทีห่อที่ทาควมสงสัยในควบเกิดแก้เก็บตายให้มันสิน้นให้มันสลางคิตใจเมื่อใดสงสัยเ่อใดยินดีพระอรหันต์ละหันมองลงมาแต่พุ่มมะโลกล่อง ม, มองมาเห็นพระพุม่มมโะโลกเทวโลกมนุษโลกสัตโลก อุปมาคือหนำไา่ทมทิมบ้าไ้เสียดายออกคลืนข้าปากจักเถือมีตะหมดเะม่เองมาหยาดกันกินมูเห้าขันกิเลสหลายก็อุปมาคือหมดแม่งหยาดสมบัติของพระรหันธ์ทั้งหลายที่เพิ่นค่ายทิมแล้วอุปมาสมบัติมนุษย์โลกสวรรค์โลกเทวโลกพุทธโลก อุปมาคือนำไายพาาระละหันโมเห่าอุปมาคือมดมายาของบุโมนบุเทียงกันอยู่อ ม, มาเสียจไดแล้วอะไรของบุโมนบุเทียงอยู่แล้วหา้าวที่ทำค่วมเข้าใก่ถือแค่นี้ห้าวทีเห็นโทษในค่วมบุโมนบุเทียงห้าสิเห็นโทษในค่วม เ, เกิดอย่างเต็มที ข้าวทเห็นโทษในความแก่อย่างเต็มทีข้าสิเห็นโทษในความตายอย่างเต็มทีข้าจักเห็นโทษในความที่ข้าหลงมาอย่างเต็มทีอันนี้จกักถอนจิตท้องใจเกิดศาสตร์ใหม่เกิดศาตร์ใหม่กับไม้ความบาสะที่มีปัญญา ปัญญาสุนันมาท่านกันแล้วควอมหลงทั้งหลายก็เลยคายเมาไปเรียกว่าเกิดสัตว์ไหมโมมีผู้สมปทนานจะคนผู้ตายไปแล้วโมเนี่ยมิได้ตายค้างานเมืดเวนพระอริยะเจ้าเสียงานอันนั้นกูก็เพท่านแล้วงานอันนี้กูก็เพราท่านแล้วเมื่อท่านได้ให้ลูกใครล้านอยาน่ยางนั้นอย่างนี้เดี๋ยวว่าตายค้างงาน เอลอูกพ่อมาคือหูตําค่ากีอยู่แหละก็ตายซาที่บอกขากีกระต่ายอยู่ตายข้างงานอยู่เพราะว่าท่านเหนเบื่อนายลูกพ่ออืมคนเบื่อมานายลูกพ่อแล้วถ้พวาพอหวังได้พบหน่อยพบใหญ่เดี๋ยวเอาไปตายข้างงานเดี๋ยวงานแล้วมดปัญหาเจ้าของก็บอมาสอดแทรกเจ้าของ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 ปริญเยยยันติเมพิขเวจงพิเกรนาให้ยิ่งปริญญาตันติเมพิขเวเราพิเกรนายิ่งแล้วตหาตั บ, บันติเมท่านทั้งหลายจงคลายจงละความเมาเสียเถืด สัชิกาต บ, บันติเมท่านทั้งหลายจงทำให้แก้งในขันธะสันดานของท่านทั้งหลายเชียเถิดสัชิกาตันติเมเราได้ทำให้แก้งแล้วศีลก็ตัดศีล ลงในกายวายกายไกตามข้อที่ทรงอนุญาตและข้อที่เว้นสมาธิก็ตั้งมั่นลงที่กายวายกายไกปัญญาก็ให้รอบลู่ในกายวายกายไกไม่ให้เป็นโทษสิ่งไหนที่เป็นโทษให้เว้นที่นี่ศีลสมาธิ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 สิ่งไหนที่ไม่ถูกทำผิดท่านก็ไม่ได้บัญญัติพระบรมศาสด า, ศายืนยันว่าศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวรวมลงถึงเอกศีลในปัจจุบันรวมลงเอกสมาธิในปัจจุบัน รวมลงเอกปัญญาในปัจจุบันส่วนจะไปทางโลกีหรือโนกุตลนะก็แล้วแต่ปัญญาสัมพยุสของแต่ละท่านศีลปฏิบัติศีลเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติเรียกว่าโลกียาศีล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 แต่มีเกตนามุ่งหวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติก็เป็นโลกิยะปัญญาโลกุตตะสินโลกุตตะสมาธิโลกุตกตะปัญญาไม้เอา สมาธิปัญญาของพระสวสดาบาลเป็นต้นไปจะเป็นพระสวสดาบันเอกพิชีหรือโกรังโกละส ต, ตักขะตุบาละก็ตามสมาธิก็เหมือนกันจะเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออุปนาสมาธิอัปนาสมาธิก็ตามถ้าหากว่าเป็นโลกุตรสมาธิก็หมายถึง สมาธิของพระสวดาบันเป็นต้นไปจะเป็นเหตุิมะปัญญาก็าตามจะเป็นมัชฌิมปัญญาก็าตามจะเป็นอุปริมะปัญญาก็าตามก็หมายถึงปัญญาพระสวดาบันเป็นต้นไปเพราะปัญญาพระสวดาบันไม่ส่อไม่แสหาในโลกิยสมบัติและเทวะสมบัติ และพรมสมบัติเจตนาเป็นของสำคัญเมื่อเจตนาอยู่ในโลกีหวังมนุษย์สมบัติหวังสมเทวสมบัติหวังพรมสมบัติจะเพ้อพเคล่งสเพียงไหนก็ตามก็หากเป็นโลกีไปทั้งศีลและสมาธิปัญญาพร้อมทั้งเจตนา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 ถ้าไม่ตอบออกมาให้หมูเพื่อนเห็นก็ต้องตอบตนได้โดยเฉพาะถึงจะแปลงตอบจะมีเล่มีเหลี่ยมตอบตนก็ไม่พ้นตนจะรู้ตนเองภาพพดขึ้นอยู่กับตนหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของสำคัญมากการประพฤติยิ่ง ประพืชหยอนประพฤติเด็ดประพืชเดีดดเด่ยวการประพฤติดเด็ดเดี่ยวเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้หวงคนทุก์ในปัจจุบันในชาติแต่การประพฤติดเด็ดเดียวจะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายเพราะใครๆก็ว่าใครเด็ดเดี่ยวทั้งนั้นใครก็ไม่ยอมว่าใครประพฤติย่อน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 ต้องปฏิบัติกันไปแถวนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมายของตนเองตนอยู่ในเกตนา ใ, นใดๆก็ไม่รู้ทีนี้เดี๋ยวนี้การมาวิตกของผมมีอยู่หรือไม่ไม่จำเป็นจะให้คนอื่นทำนายทายทักตนต้องรู้ตนเองเดี๋ยวนี้พยาบาทวิตกผมมีอยู่หรือไม่ถ้าคนอื่นทายถูกก็จะอัศจรรย์ทีนี้ก็อัศจรรย์นตนเองดีกว่าคนอื่นเพราะตนรู้จักก่อนคนอื่นแล้ว นี่หิงสาพิตกผมผมมีอยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้ถ้าเขาทายถูกก็จะว่าเขาดีทีนี้เราไม่ดีดหรือเรารู้จากก่อนเขาแล้วเราเห็นภายในวะัฏะสงสารเพียงไหนหรือเราทำพอเป็นพธิธีหรือเราบวชมาเป็นกระต่ายตื่นตูม การให้ทานรักษาศีลภาวนาการถือพระพุทธศาสนาเราเชื่อเหตุผลอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ต้องตอบตนได้ไม่สุมเด็กเหตุผลที่จะให้เชื่อในทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างก็กรรมและผลของกรรม เป็นเหตุให้ปฏิเสธพระพุทธศาสนาไม่ได้กรรมเมมโนกรรมเป็นต้นสายเหตุเพราะผลลัพธ์ก็อยู่ที่กับมโนกรรมเหตุที่สร้างขึ้นก็อยู่กับมโนกรรมมโนกรรมเป็นผู้รู้ตัวมโนกรรมเป็นต้นสายเหตุของกรรมทั้งหลาย มโนกรรมสงสัยสิ่งใดผลมโนของมโนกรรมก็นําความสงสัยมาให้ทันเวลาไม่เลือกการอากาลิโกผลของกรรมจิตใจที่นึกเมตตากรุณาผลของใจก็นํามาด้วยเมตตากรุณาทันท่วงที ไม่นิยมการไม่นิยมเวลาจิตใจฉุนเฉียวผลของใจก็นํามาให้ฉุนเฉียวในกระสัรหันนั้นเหตุฉะนั้นจึงเชื่อกำและผลของกรำรเมื่อเชื่อกรรำและผลของกรำรได้สนิทแล้วทีนี้การถือเคารพนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ต้องบังคับหากเชื่อเอง เมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเลือกทํากรรมที่ดีมีกายกรรมวิกีกรรมมนโนกรรมมนโนกรรมเป็นหัวหน้าของกรรมทั้งหลายสิ่งไหนที่เคยตกนรกด้วยมนโนกรรมที่ทําไม่ดีก็จะพยายามเขีดลาบ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 ธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ทำของสัตว์ประหลุตทำของปัสดาบันอัธญญาตาเป็นผู้รู้จักผลเช่นรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเห ต, เเหเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ อัตตัญญูตาควรเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชอบด้วยยศศักดิ์บริวารและแตระกูลและคุณทําเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนให้เป็นการสมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรมัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ กาลันยุตาเป็นผู้รู้จักการเวลาและในอันประกอบกิจนั้นนั้นปริสันยุตาควาเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆว่ามูนี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทากิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นบุคละประโปรบลัญยุตตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่า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 เป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะพูดอะไรกับใครๆก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะคิดสิ่งใดกับใครใคก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะทํำสิ่งใดกับใครๆก็ไม่ทําเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นต้น ให้ทานโดยเคารพเพื่อเพื่อแก่ของที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทำอาการดูดทิ้งเสียนี่หลักของพระโสดาวันทั้งนั้นบุคคลผู้จะถึงพระสกทาคามีอนาคามีอาราหันต์ก็ต้องผ่านพระโสดาวันเชี่ยก่อนจึงจะรู้จักหนทางไปอบายามุขทุกประเภท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 ทางลึกและทางตื้นไม่ส่งเสริมการพนันทุกชนิดค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายเนื้อเป็เนื้อสัตว์ที่ตัวค่าค้าขายสัตว์เป็นเช่นค่าหมูค่าสุกรค้าขายสุกรเลี้ยงไก่ขายเลี้ยงเป็ดขายไม่มีในพระสุวดาบัน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 ไม่สงสัยว่ามรรคผลนิพพานว่าจะไม่มีหรือหมดไปแล้วอันนี้สัตตุเทศไม่ถือศาสดาอื่นไม่ชอบไม่ไม่ยอมทําบุญกับศาสดาอื่นเว้นไว้แต่ทําแก้ลำคาญ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 เสโสดาบันในข้างพุทธการมีตั้งรลลลัน่านพระจกคาคามี อ, อนณาคามีก็เหมือนกันพระรหันต์ก็เหมือนกันทั้งหัวดำด้วยทั้งหัวโล่นด้วยธรรมของพระองค์มีอยู่ทุกการผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา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 พระบรมศา ส, สดายืนยันขาดตัวและบอกว่าในมหาปรินิพานสูตรชมณ ะ, ะทั้งสี่คือพระสวสดาสกทาคาอาณาคาอรหันต์ไม่มีในาศา ส, สดาอื่นเลยนอกกาศ ศาสดาพุทธแล้วเราตถาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเป็นธรรมาทิปไตยไม่ได้พูดเป็นอัตาตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ในมหาปรินิพานสูในศาสตราอื่นๆถึงแม่จะประพฤติพร ม, มายจันเด็ดเดี่ยวสักเพียงไหน ก็ไปเพียงแค่พมมาโลกเท่านั้นผู้ที่ไปในทางถูกไม่สามารถถึงพระสสดาบาลเพราะเป็นโลกีสมาธิโลกิยทานโลกียศีลโลกิยะสมาธิพระสวสดาบันว่าพุทโธคําเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้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 อรหันตะสมาสมุทติเจ้าโอง์นั้นแปลแปลได้ความอย่างนั้นพระโสดาบันแปลแ ย, ยบคายกว่าพุทธชนคนหนาแปลก็แก้วเจ้าขาจึงเข้ากับกล้วยไม่รู้จักอะไรทีนี้พระตีความหมายต่างกันพุทธัทงสนนังคดชามิเหมือนกันพุทธัทงสนนังคดชามิของพระโสดาบันถึงแล้วไม่ถอนออก พุทธทางสนานังคัดฉามิของพวกโลกีความหมายต่างกันปัญญาสัมพยุตต่างกันในขณะที่เห็นธรรมไม่แยบคายพุทธทางสนานังคัดฉามิของพระอรหันต์เป็นพุทธทางสนานังคัดฉามิไม่มีกิเลสพ้นไปแล้ว พุทธัทงสานานัจชามิของพระสกทาคามีก็แยบคายกว่าพระโสดาบันพุทธัทงสานานัจชามิของพระอนาคามีราคะโทสะโมหาขาดไปแล้วไม่มีพุทธัทงสานานัชชามิของพวกเล่นเลกเล่นผามันก็ไปตามแถวของเขาอืม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 เจตนา ใ, นใดๆก็าตามจะกวาดรานวัดอยู่ก็าตามจะเดินไปบินท่าบาทก็าตามเพราะเจตนาเป็นของสำคัญมาก บางท่านทำสมาธิเพื่อลาบประพฤติพรหมจรรย์เพื่อลาบก็เป็นโลกีไม่ใช่ภูมิของพระสดาบันพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนา หมายถึงพระโสดาบันสุดท้ายหมายถึงพระรหันต์หมายถึงพระรหัตมะตะผลต่ำกว่านั้นลงมาท่าน ก, ก็จัดเป็นโลกีโลกิยะโลกิยะศาสศาสนาโลกิยะพุทธศาสศาสนาแต่พุทธศาสศาสนาไม่ได้เป็นโลกิยะ กกุารจะถ่ายเทมนุษย์สวรรค์พรมออกจากขันทันดาน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 สลัดความเข้าใจผิดของตนคืนที่เคยดองสันดานมาถ้าปัญญาเหนือมานปัญญาก็ชนะมานหรือต่อสู้กับมานได้ขันธมานมานคือปัญจขันธ์ เกเรตมานมานคือกิเลตอภิสังขารมารมานคืออภิสังขารมัจจุมานมานคือมัจจุเทวบุตรมานมานคือเทวบุตรประพฤติพอมาจันปารถนาเพื่อเป็นเทวบุตรก็เป็นมารอันหนึ่งไม่สามารถจะพ้นทุกในปัจจุบันในชาติได้แต่เป็นนิสัยอยู่จึงว่าเทวบุตรตมาน ผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์หวังเป็นเทพพระเจ้าในเทพพองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีพรหมจรรย์ของผู้นั้นชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุชื่อว่าด่างชื่อว่าคร้อยผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ไม่ปราศจากเมถุนสังโยกเรียกว่าเมถุนสังโยกเพราะเสพเมถุนทางใจเพราะหวังในมนุษย์สมบัติ สวรรค์ผมสมบัติพรหมสมบัติเรียกวัดเสพเมตุนทางใจผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่พ้นไปจากโลกคําว่าไม่พ้นไปจากโลกหมายความว่าไม่สามารถพ้นไปในปัจจุบันในชาติแต่ในชาติพบตัวต่อไปนั่นก็ไม่ตัดพ่อดอกหมายความว่าในปัจจุบันในชาติ เราจะอธิบายพุทธโธตลอดรุ่งก็ไม่จบคุณของพระพุทธเจ้าเราจะอธิบายลมหายใจเข้าใจออกอย่างเดียวลมหายใ จ, ใจเข้าขณะเดียวท่านนี้เราจะอธิบายจนตลอดรุ่งก็ไม่หมด ลมหายใจเข้ามีทั้งเกิดทั้งเก๋ทั้งเก็บทั้งตายทั้งโลดทั้งกูดทั้งหลงทั้งอ่างกระดูกทั้งอาการสามสิบสองทั้งศี้นห้าสิ้แปดสิ้นสองรอยยี่สิบ็ดมันมีอยู่ในปัจจุบันหมดทีมันครบหมดขณะจิดเดียวก็ครบแปดหมื่นสีพระธรรมวัคคันแล้วเพราะเพราะมีทั้งกองน้าลูก เดี๋ยวนี้มีดินไหมมีเดี๋ยวนี้มีน้ำไหมมีเดี๋ยวนี้มีไฟไหมมีเดี๋ยวนี้มีลมไหมมีอเฉพาะถาดสีนี่เองวันนี้มีหรือไม่ดินน้ำไฟลมมีอยู่แต่มันล่วงมาแล้วพรุ่งนี้มีหรือไม่ดินน้ําไฟลมมีอยู่แต่ยังไม่ทํามาถึง พุทโธธรรมโมสังโฆมีอยู่ในปัจจุบันสัตทินซีวิลยินสตินสมาทินปัญญินมีอยู่ในปัจจุบันทีนี้เรารวมอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นพระลงในปัจจุบันอินรีห้ารวมมาเป็นเชือกห้าเกลียวทีนี้ในปัจจุบันสติปทานสรวมลงมาเป็นเอกะสติปทาน ลมหายใจเข้ามีทั้งกายมีทั้งเมทนามีทั้งจิตมีทั้งธรรมแต่ขออย่าเราอย่าสงสัยเท่านั้นเองอลมหายใจเข้าเรียกว่ากายานุพัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความสุขทุกข์หรืออุเบกขาก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นจิตเศ้าหมองนรือผ่องแพร่ก็เป็นจิตานุปนัสสนาแล้ว ลมหายจใจเข้าเห็นความเม่เท่งแห่งลมหายจใจเข้าเขาเป็นธรรมานุพัสสนาแล้วลมหายใจออกออกก็เหมือนกันอันนั้นท่านเรียงแบบให้เรารู้จักท่านอธิบายอย่างพิสดารพระพระมหาสารีบุตรท่านแตกฉานในธรรมะนนธรรมะปฏิสัมพิทาสี่สารีบุตรท่านอธิบายแตกฉานมาก ท่านรู้จักอาการเสื่อมอาการเจริญทำอันว่าอ่านว่าทำทรงอยู่ทำฝ่ายละคือบาปทำฝ่ายเจริญคือบุญทำฝ่ายทำให้แก้คือมรรคผลนิพพาน อยากเกิดมาเป็นหนี้ปัญหาของตน เ, ออเราต้องการจะแก้ปัญหาของตนให้จบไม่ให้มันมีปัญหาพระสวสดาบัลรู้จะแก้ปัญหาของตนไปแล้วลูยจะตอบตนด้วยลู้จกถามตนด้วยพระอรหันต์แก้ปัญหาของตนจบแล้วไม่มีปัญหาใดๆจะถามตน ให้อสอดแทรกขึ้นมานักไกล่เลยเพราะแก่ตกแล้วปัญหาใดๆไม่เกิดขึ้นมาในตนจะแซงตนให้ลำบากเพราะแก่หมดแล้วเพราะไม่สงสัยด้วยเพราะไม่ถือเป็นของยากด้วย ถ้ากิเลสไม่มีปัญหาในจิตก็ไม่มีถ้ากิเลสมากปัญหาในจิตก็มากถ้าโลคโกรธหลงยังมีมากอยู่ปัญหาก็มากถ้าโรคโกรธหลงไม่มีมากปัญหาก็ไม่มีมาก โรค ก, กวดหลงยังมีมากไฟก็มีมากโรค ก, กวดหลงน้อยลงไฟก็ดับลงลาคขินาโทสักขินาโมหคินาก็ดับลงเหมือนกันแต่ว่ามันดับลงขนาดไหนทุกวันนี้นันแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้มาปฏิบัตินั่น ไฟโลกไฟกรูดไฟหลงของเราเาผาผลาญเราขนาดไหนทุกวันนี้ดับลงขนาดไหนสิ่งเล้านี้เป็นเรื่องของใครของมันเพราะกระเป๋าใครใครกระเป๋ามันก็ต้องตรวจดูไม่เป็นหน้าที่จะรับรองกัน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 เราจะอยู่เอกเทศของเราขนาดไหนเราจะพิจนาร나ายังไงต้องปันเวลาออกเราจะนอนหลับขนาดไหนเราจะตื่นขนาดไหนเราจะฉันขนาดไหนวันนี้เราฉันตึงฉันจนท้องกลางเราพิจนารนามันเป็นยังไงก็ให้เรารู้จักวันนี้เราผ่อนอาหาร เราพิจารณามันได้ความยังไงวันนี้เราเดินมากเดินโยกร ม, มากเราเราได้ความยังไงวันนี้เราไม่ได้เดินเสียเลย ม, มีแต่นั่งมากการภาวานาได้ความยังไงซึ่งแล้วนี่เป็นเรื่องของใครของมันจะเอาเรื่องของค น, คนอื่นมาทำมันก็ไม่ถูกหลวงปู่มันเคยเทศนบ์บ่อยๆโพชเนมตัญญาตารู้จักประมาณในการฉันอาหารไม่มากไม่น้อยแต่พอสมควร คำว่าไม่มากไว่น้อยเท่านั้นคำเท่านี้คำพระองค์ก็ไม่บัญญัติไว้เป็นแต่เพียงว่ายังอีกสี่ห้าคำจะอิ่มแล้วก็ดื่มน้าเสียจึงไม่อืดอาดใครบอกก็ไม่ถูกการทำความเพียร น, นี่บางท่านก็ชำนาญในเดิน บางท่านก็ได้กำลังเวลานั่งบางท่านก็ได้กำลังนอนนอนในที่ไม้ความไม่ไม่หลับบางท่านก็ยืนบางท่านก็เปลี่ยนอิริยาบถเสมอกันจึงได้กำลังแห่งปัญญาสิ่งแล้วนี้เป็นเรื่องที่จะทำทดสอบกับตนเอง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 ถ้าหากว่าเราเห็นวัฏฏสงสารเต็มไปด้วยภัยด้วยเวรเป็นไปเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วปัญหามันก็ไม่มากดอกถ้าหากว่าจะหวังแข่งดีแข่งชั่วกันในวัฏฏสงสารอยู่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 พิจารากันจริงๆก็มีกำลังเหมือนกันอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันเป็นนิยายนิก็รทำนำสัตว์ออกจากหลงได้นำของนำพวกเราออกจากความหลงความเมามไม่น้อยก็ต้องมาต้องยุดย้อนผ่อนลงไม่นักหน้า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 ส่วนกรรมฐ า, านมีอยู่แล้วทีนีแเราเบียกกดพายมุ่งเออเดินจงกรมปลอบินทบบาทปลอฉันข้าวในบาทปลออยู่ในบาอยู่ในป่าปล อ, อต้องไปให้มันพ้นอย่าให้มันถอยหลังเออ ถ้าใครจะถอยหลังก็นึกละอายบาดสเตนเลตบ้างละอายบาดเคลือบบ้างออ ล, ะ ล, ะละอายตีนบาดไม่ไผ่บ้างละอายปีนขึ้นภูเขาบ้างาละอายผ้ายอ่อแกนขนุนบ้าง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 เอคอ้ายๆก็ว่าแข่งดีกับพระบรมศาศเสดาพระบรมศาสดาหาความสุขในทางคารวะมาเห็นเราจะออกไปหาแข่งค้ายๆกับว่าอย่างนั้นออทีนี้ถ้าเราถ้าเจอทยานในวัดตาสงสารทั้งปวงอก็ค้ายๆกับเราแข่งดีกับพ่อบรมศาสดาเหมือนกันละนี่ก็ดี พระบรมศาสดาขี้ง่หาความสุขในโลกทั้งสามไม่เจอเราคนหนึ่งก็ะเะหาและข้ากับอวดดีแข่งดีกับพระองค์พระองค์หาแล้วไม่ไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเอพระรหัสทางหลายหาแล้วไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเราจะแข่งดีไปหาอวดกับท่านอยกธงขาวยอมเสียดีกว่าเออ ค่ า, าก็ว่าพระบรมศาสด่างูทำเหลือวิสัยก็มาสั่งสอนสัตว์โลกไว้พระบรมศาสดานิ่งงูจริงๆไม่สามารถจะได้พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็มาสั่งมาสอนไหวก็เท่ากับว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาถ้าเราถือว่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วก็เรียกว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสดาโดยกงๆทีเดียว เออเราก็ฉลาดพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาคนไม่สามารถจะได้มาผลนิพพานก็มาสั่งสอนไว้คนไม่สามารถจะพ้นทุกข์ก็มาสั่งสอนไว้เออบ้าบ้าบาบบไว้ก็คแค่ก็ว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสด า, ศ า, เ, าเราเป็นคนฉลาดกว่าพระบรมศาสด า, ศ า, านะนิยานี่การทำ นิยานิกูนำสัตว์ทั้งหลายออกอา น, นิจังทุกขังอนัตตาเรามีชีวิตอยู่เทศนาอันนี้มากกว่าอันอื่นเพราะสัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นอา น, นิจังเห็นทุกขังอนัตตาทั้งปัจจุบันทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วเป็นนิยานิกระทำจะนำสัตว์ทั้งหลายให้ใคลายเมาในวัฏสงสารโดยง่ายเหตุฉะนั้นธรมาโนโศภควา พระบรมศาสนาจึงสอนทำข้อนี้มากกว่าทำอันอื่นกินอาหารสันอาหารเข้าไปในปากก็ถ่ายออกจากทวารหนัก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 เราจะไปสงสัยอะไรอีกเออเราก็ถอนความเข้าใจผิดของเราออกที่เคยเข้าใจผิดมาเท่านั้น<ๆ>อืสิ่งอื่นไม่มีสิ่งที่จะถอนถอนความเข้าใจผิดของตนเท่านั้นที่เคยผิดมาสิ่งไหนที่มันถูกก็รักษาไว้เท่านั้นอืสิ่งอื่น<ๆ>ไม่มีสิ่งที่จะถอนไม่มีสิ่งที่จะละ อ, อ้าละตา จะละยังไงละตาที่นี่ล้วก็ดูก็มองอยู่ละหูก็ละไม่ได้ละตาด้วยวิธีเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วเปรยบปวนก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องหัดพิจารณาอย่างนั้นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนพ้อมกำลมหายใจเข้าออกอีกด้วย พร้อมกับยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยพร้อมกับอินยาบททุกประการด้วยนถ้าเราไม่ต้องการจะพิยาอย่างนั้นเราจะไปสงบอยู่ในกรรมฐ า, านอันใดอันหนึ่งสักคู่ก็แล้วแต่แต่ออกมาต้องพิแกณาลงสู่แต่ลักเสมอเสมอเสมอเสมอเสมอถ้ามาอย่างนั้นไม่มีหลัก อ, อถ้าอย่างนั้นไม่มีหนทางเบื่อนหน่ายในวัตาสงสารเลย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 อดีตรูปขันนาำขันที่ล่วงมาแล้วอนาคตรูปขันนำขันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันรูปขันนาำขันที่กําลังเป็นอยู่นันะอันเดียวกันพูดไปตั้งหมื่นแสนก็เป็นมีคำหมายอันเดียวกันเกิดชาติหน้าเราจะมาเป็นอะไรอีก ถ้าจินแล้วก็จินเข้าปากอีกถ้าถ่ายก็ถ่ายออกกากถ้าวานหนักอีกถ้าวานเบาอีกก็อันเก่านั่นแหละถ้าไม่รู้จมูกก็จะมาหายมันเก่านะหายออกหายเข้าออมันเก่านะเราจะได้จมูกที่ไหนมาหายอีกมีใจก็มานึกมาคิดอยู่อย่างนี้มากินมาขี่อย่างนี้ มาหนาวมาร้อนอย่างอันเดียวกันอยากเข็นชาติหน้าก็ดูในปัจจุบันในชาติอยากเข็นชาติที่รองมาแล้วก็อยู่ในปัจจุบันในชาตินี่เถิดเออเอาชาติปัจจุบันเป็นพยานสาวฮะดูในอดีตสาดูในอนาคตอันเดียวกันเสมอหน้ากลองเลยเมื่อชาติปัจจุบันเป็นยังไงชาติอดีตก็ต้องเป็นอย่างนั้น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 รุดพ้นจากความสงสัยลุดรุดพ้นจากความหลงของตนคําว่าลุดพ้นก็รุดพ้นจากความหลงของตนนั่นเองอืมคําว่าชนะก่อชนะความหลงของตนนั่นเองทีนี้คําว่ามัตตก็แปลว่าการพิจรารณาคําว่าผลก็ผลของการพิจรารณา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 ก็ถูกหมดนคนหูหนวกมันก็มีเก๋มีเก็บมีตายคนตาบอดมันก็มีเก่มีเก็บมีตายเมื่อท่านเทศเรื่องเก่เก็บตายแล้วมันก็ถูกหมดใครจะฟังหรือไม่ฟังมันก็ถูกเป็นทุกข์เธอย่อมหน่ายเธอย่อมละอาเธอย่อมเกลียดชังในสังขารทางปวง สภาภะโลเกอภิรตะสัญญาท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงท่านทั้งหลายจงทำให้ละอาในโลกทั้งปวงทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยจงทำความเมาให้สลามจงอย่าอาไรในโลกทั้งปวงอาระยะสมุขคาโตจงถอนอาใดในโลกทั้งปวงเสียจงเห็น ให้เห็นโทษในที่ตนเคยลงมาเสียจงเช็ดหลาบในทุกในวัฏสงสารให้มากๆเถิดผู้ใดเช็ดลาบทุกในวัฏสงสาร ผู้นั่นก็ถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพานแล้วผู้ใดเพลินในวัฏฏะสงสารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันจนลืมตนลืมตัวลืมใจลืมทำผู้นั่นก็ปิดประตูพระนิพพานด้วยตนเองทำอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสาย มีธรรมบทเดียวเท่านั้นเป็นธรรมสำคัญมากที่เมื่อเห็นอย่างนั้นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาก็รวมกันอยู่ที่นั่นาพาสิทธจะภัยาะสนโสดจักเพียงไหนก็าตามแต่ถ้าว่าไม่เป็นไม่ไม่เป็นธรรมชั่งเวทไม่เป็นธรรมหน้าเบื่อนายไม่เป็นธรรมหน้าคลายเมาก็ไม่เท่าพาสิตเดียว ที่ทำให้เบื่อหน่ายคลายเมาและละอาในวตาสงสารพยาตูปัฏฐานญยานเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นของหนกักกลัวอาทธินวานุปัสนาญาณเห็นลมหายใจเข้าออกว่าเป็นโทษหนักหนาเพราะมีโทษอยู่ เพราะเป็นทุกข์ทำไมหายมันเป็นทุกข์ทุกข์กโทษอันเดียวกันผู้ที่จะออกลิงออกลายอยู่ในวัฏสงสารเ อ, อ่อ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 สังคมพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอาหารหันเป็นสังคมนิยมพระนิพานเหลือรางนั้นเป็นสังคมที่เวียนในวัฏสงสารนี่เราจะเราจะจองสังคมไหนที่นี่ปัญหาของมัน เ, เราจะจองตัว๋วที่นั่งที่ไหนที่นี่เราต้องจองเสียเดียวนี่ ประชาธิปไตยของพระโสดาบันสกกทาคามีอนาคามีอัลหันเป็นประชาธิปไตยยินดีเข้าสู่พระนิพพานเดินกรุงไปทางพระนิพพานเหรือเราด้านเป็นประชาธิปไตยเวียน่ายตายเกิดในวัดตาสงสารอืมสังคมนิยมก็เหมือนกันธรรมชาติก็เหมือนกันธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติ ธรรมชาติที่วนเวียนในวัตาสงสารธรรมชาติที่ไม่วนเวียนในวัตาสงสารธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาวนเวียนในวัาสงสารธรรมดาจะออกกากวัตาสงสารนงี้อิสระเสรีอ่านว่าอิสระเสรีมีอิสระเสรีจะวนเวียนในวัตาสงสารมีอิสระเสรีจะออกกากวัตาสงสารอ๋อ ได้เหมือนกันถ้าแม่พูดอย่างนี้คนง่วงนอนสะปรงโมกเอาละเดี๋ยวจริงาพวาด พอเห็นภัยในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่แหละดึงไปมันก็หดเข้ามามันค้าเต่าเนี่ยนะถ้ามาเห็นภัยมันก็บินไปเลยอืบินไปจับแมลงเมาบินไปจับตะเกียงถ้าเห็นภยนะัยแล้วมันไม่ไปหรอกอะไรมาหา ม, มันก็ไม่ไปถ้ามันเห็นภัยมันไปเก่งอืม คนเรามันใจถึงทุกคนผู้ใจถึงท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารก็มีผู้ใจถึงจะเดินผ่าศุนกลางออกก็มีผู้ใจถึงในทางป้นทางสดมก็มีผู้ใจถึงในทางเว่นก็มีผู้ใจถึงในทางตนีก็มีผู้ใจถึงในการให้ทานก็มีผู้ใจถึงในทางรักษาศีลผู้ใจถึงในทางไม่รักษาศีลคนมันใจถึงทุกคนใครก็ใจถึงหมด บางคนเข้าใจถึงทางเกียรติข้านจินแลวก็นอนอ <laughs> <laughs> จะเอาใจถึงมาอวดกันใครก็พอได้อวดเหมือนกันล่ะพระอริยาจเจ้าใจถึงทางพระนิพพานต่ำกว่านั่นลงมาเข้าใจถึงท่องเที่ยวในวัตาท่งสารใจถึงในทางเวียนทางภัย กูใจถึงมาให้กูฆ่าเขาว่ากูฆ่ากูใจถึงกูรักได้กูใจถึงกูไม่รักกูใจถึงกูไม่ฆ่ากูก็ใจถึงเหมือนกันกูใจถึงทางไม่ฆ่าไม่รักมันใจถึงทุกคนตัวใจถึงก่อนพระรหันใจถึงทางไม่มีกิเลส